ช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากำลังมีกิจกรรมคารวะก็คการแสดงออกว่ามีการเคารพซึ่งกันและกันมีการอาศัยซึ่งกันและกันมันเป็นเหตุให้เราลือกถึงซึ่งกันและกันที่สำคัญก็คือทมให้ ของเราเป็นจิตใจอ่อนน้อมทำตนก็คือขัดเกลาที่ใส่ในเองดัะนั้นก่าคารวะหรืองเคารพในทางศาสนาเรบบายถึงเคารพในพู้พุทธเจ้าก่อนที่จะเคารพในพระพุทธเจ้าเราจศึกษารายละเอียดความเป็นมาทั้ง เป็นพุทธประวัต <yapıl> mm. ิคือประวัติขององค์ในแง่ของคนในแง่ของประวัติศาสตร์นี่คือความเป็นพุทธเราพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าได้อย่งไรเราเป็นหมดพุทธเจ้าได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นลังกันลังก็เพื่อไปเครื่องยืนยันว่าเป็นอนุสติเลื่องนึกถึงพระองค์ก็ด้วยการสาธยายภาลนา ที่เราทําทุกวันเจญพุทธานุสติการเรียนถึงพระองค์โดยการพราราคุณของพระองค์อุกิีิโสอาลามาจนนนี่คือแบบปราราณโดยการชมเชยตพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะใครยังรู้จักพุทธเจ้าน้อยควรจะคนไข้เยอะ เพื่ออย่างน้อยสุดเป็นบุคคลต้นแบบเป็นบุคคลตัวอย่างจะนั้นไม่จะเปรตสะปะจะหาใครไปเรื่อยไปคนนั้นคนนี้คนนู้นแม้แต่พระสองฆ์องค์เปรต ส, ะ ป, สะปะก็เรืยมันไม่มีหลักไม่มีแรงสร้ า, างทางมเดียวกั้นก็อาศัยหลักธรรมคาสอนของพุทธเจา้าอาศัยภาพเหลืองของพุทธเจา้าบอกแต่ละ กลายเป็นบางอย่างบางสัญลักบางที่ความที่เรารู้เท่าไม่ถึงกันกลายเป็นเครื่องมือหากินกลายประการเลี้ยงชีพตัวเองที่ยังไม่พอหนักกว่านั้นก็คือไปดูถูกดูแคนผู้อืจ้าปแล้วมันแย่ที่ไหนตัวเองอาาัยใจรักเข้าอยู่ นี่เป็นตัวอย่างงา่ายๆตอนนี้ก็เพราะว่าเราเราเราพูดร้องค่ะองค์ความรู้ในเรื่องเหล่า น, นี้ต้องบอกว่าอย่างมากเลยาจังนะสอนก็คือธรรมะคารวตาคือเคารพในพระธรรมซึ่งเราเข้าใจว่าพระธรร ม, มคือปัจจัยพิดกเราก็ทําก็ทําก็คือคําสอนของออกีปากพูดจเจ้าหรือออกจากปาก พระสององค์เนี่ยถือว่าพระธรรมเราคิดเลยพระธรรมจรงมิงไหมนอกจากพุทธองค์นอกจากพุทธสาวกที่ท่านเปิดเผยอริยะแล้วนอกนั้นละเราคิดเลยเป็นธรรมะหมดนะที่เราเสพได้ยินได้ฟังทุกวันเนี่ยทั้งโซเชียลทั้งอะไรายสาระก็แล้วก็เป็นคําถามเยอะแยะมากวัยเป็นคำถามม า, า, นามอน า, าคตมีกับชาติมาเกิดเปหมายได้อหรหันมาเกิดไปได้ ก็คืออะไรมันเป็นธรรมะของพุทธเจ้านีเราพิจารณาถามกลับไปที่ข้อแรกอาฮะสงสัยอะไรกลับไปที่ข้อแรกกลับไปข้อแรกกับพุทธเจ้าถามพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เรื่องอย่างนี้ว่าพุทธเจ้าไม่ตรัสจะเอามาจากไหนหลกักงยังไงไอะไรคือธรรมะคารวตาแล้วก็หายไปแล้วธรรมะ พระุทธพระวตาความรกร้รองอย่างไม่มีแล้วนี่คือพระัตนาใจนะก็ขาดไปสองแล้วสังฆาคารมาตาแล้วเข้าใจตัวเองเป็นสงฆ์ตัวเองทางนี้เป็นสมมติสงมันไม่ได้สงแท้จริงมันเรียกว่าอาริยะสงฆ์แต่แค่สมมุติลูกเกระบาลล้าใจมือเอาปลาเหลืองมาหอมพอสมมติจเปตัณฑะหลงโมหะคก็งำหลงอรู้รู้ปริยติ รู้มากกับคนอื่นสองสาสามภาษาเป็นอริยะกันละนี่กอันตรายสถานปฏิรูปเกิดขึ้นแต่คนที่เสพคนที่ฟังองค์ความรู้ น, น้อยการส่ศรัทธาที่เป็นตัวนำก็เชื่อแต่ทั้งสี่ตัวเองเชื่อนะ่ะมันใช่หรือเปล่ามันจริงหรือเปล่าครบสามอย่างเนี่ย เป็นตัวอันตรายถ้าใครยังไม่ฝ่าย ม, มั่นคง ใ, ในพระัฒนาใจบุคคล น, นั้นน่ะมันเลยต้องเป็นอย่างเนี้ยกำประสบอาบายอีกหนักกว่าเก่าอีกไม่สามารถที่จะเปิดอาบายได้หมายถึงว่าแค่อาบายอย่างเดียวเนี่ยก็คือในโรคเปรตอสุรกายสัตว์เลี้ยง า, านในคาว่าอาบายถ้าจิตไม่มั่นคงในพรัฒนาใจที่ไปก็จะเป็นอย่างนี้ ไี่เป็น อ, อันตรายไม่ใด่ลูกเล็กน้อยเพราะนั้นที่เราสมาทานหรือตาราพูดทางธรรมศาสตรทางตรังกาะฉับไม่ไม่ใช่สับแต่ว่ากล่าวไปตามความเคยชินให้ออกจากใจให้ออกจากสมองรอกไสติทําด้วยความมีสติเนี่ก็ไม่จะไม่รู้อย่างวันนี้เป็นวันจุดวันอาทิตย์วันพระวันสิ้นใหญ่นั้น วันพระเราก็โม่งว่าที่พระเณรนะผู้เดียวพระพรนนะแณ น, นก็ถือว่ามีศีลเยอะคอาวนี้วัตถินใจทั้งพระทั้งแณนโดยเพราะเราต้นจากความเป็นเนนก่อนที่เป็นพระเป็นแณ น, น, น, น, นก่อนควา ม, ป ม, มเป็นสมเณรมันจบลงแค่รับเอาพระรัตนตรัยในเกี่ยวกับศีลศีลนั้นไปรัปฏิบัติถ้าเณรองค์ไหน เป็นลาเมิดกล่าวตูวจับช่วงดูถูกดูหมิ่นดูแคล้งวรตณาใจความเป็นสมัยขามดมื่อพะบาราชิกมันไม่เคารพมันไม่เชื่อฟังบอกกขาแล้วสอนกขาแล้วมันเก่งที่อื่นเคยอยู่เป็นร้อยสองร้อยก็พูได้พูดได้อยู่กับสิบกระองคุยกันไม่ได้นี่คือสมานเน ก็เป็นหลอกลวงกับเป็นวันความเป็นพระวันนี้เป็นันพระนะเป็นวันนี้เราจะต้องฟังพรมจำเสนะ้นภาวนาปฏิบัติลงมือ เ, เป็นยังไงพระการยี่สิบรูป1ดืนสิบสองรูปสามสิบัวรูปถ้า ส, สนใจกงพคนนี้ไหมพุทธะธรรมสาสตราหาเจ้เาความดีไปไหนไปห้ชาวบ้านเขารเราจะไแจกไปเป็นพระ ไปชี้เหมือนกันตอนนีไ้ไปไหนหมดชี้นี่คือความมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต้องต้องอยู่แถวหน้าถ้าเป็นตัวอย่างม้าเป็นต้นแบบเจอตัวเองเลยสิ่งเยอะกว่าเพื่อนสิ่งประจําเพื่อนที่สิ้นมันไม่ควรจะเป็นคือยังไงก็ได้มันไม่ใช่แล้เพื่ออะไรเอาปาขาวมาของเพื่ออะไร แปรรวปเป็นชีอะไรชีกคืออุบาสกอุบาสิกาในทางพุศาสนาเ้าเรียกกเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ตงคำนำหน้านอุบาสกอุบาสิกาเพราะนั้นอุบาสกอุบาสิกาคือคนเขาถึงพรรนะใจแต่ครับพุทธธรรมประสงค์ทามไมครับในกไรขึ้นก็เป็นชีอะไร เกิดมาตั้งแต่เข้าพ ร, รษาแล้วก็ยังเจอเจอวันนี้อะไรเกิดขึ้นนยมันไม่ได้สามเลยนะสี่ก็คือสิกขาคารวตาเนี่ยเพราะเราขาดตรงนี้ขาดสิกขาคารวตาเจขาศึกษาอลันพุทธญาติเราศึกษาเรื่องศีลคือกายวิช า, าตัวเองนี่แหละเราว่าศ้ลตระการหรือดูแลกายวาชาตัวเองดีนั่นแหละคือศีลแล้ว ทั้งทางตรงและทางอ้อมคือทางในทางทฤษฎีและปฏิบัติผู้เรียอย่างนีนี่ความหมายว่าศสกขะเราก็สนใจในการศึกษาในการเรียนรู้ทั้งตัง้งแต่ตำราที่มาที่ไปและศึกษาที่เป็นธรรมชาติจริงๆเพราะธรรมชาตินั้นมีแต่ตำ ร, ร, รา เนี่ยพอเราเขาไม่เข้าใจเมื่อใจไม่ไมีองค์ความรู้ก็ เ, เราฟังเนี่ยเรื่วงภาษาเราแย่ง่ายถ้าเป็นชจ้าบ้านเขาอาอกันคือไม่มีการศึกษาเวลาเขาพูดอย่างนีแรงไงเราโกรธเราเนาะเพราะมันไม่มีการศึกษาจริ ง, รงเขาว่าศึกษาเนี่ไม่ได้แปลว่าประถมมัธยมปตปโทปเอกอันนี้ก็การศึกษาแท้จริง ใ, ใ, ในทางธรรม ศีกากาลวตามันไม่มีความเคารพในสิ่งเหล่านี้มันไมีมประการต่อไปคืออภัปมาทะเป็นคําที่เราจะจับเอาไว้ในอปมัมม ATA ธรรมเป็นขั้นสุดท้ายที่คนเป็นห่วงกับเรื่องนี้แหละอภัปมาทะนี่เป็นมงคลปฏิสติให้เรารักษาสติในแต่ละวันในแต่เราเยอะบทตร้องอย่งยืนเดินนั่ง หรืแม้แต่นอนให้ใช้สติเ ย, ะ ย, ยะอะๆให้มีสติเยอะๆครอบงําริรณตัวเองบริหารและไอ้บททั้งนี้นนในง่ายยืนเดินั่งหลักอยู่เยอะๆนะไม่มีสติสตังจะพูดอะไรกั็พูดไปเลยคิดอะไรก็คิดไปเลยไม่มีครอบมีแบบไม่มีตัวอย่างเนี่วัะนั้นแต่เรา เขาวัดความจำจำสินทางนาะก็าปลือต้องการให้เพราะเราได้เรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้จะได้สํานึกสาเนีบโอไนอโคนอนสู่กันปฏิบัติมนันก็มองหางข้องามการสุดท้ายที่เราทําอยู่เนี่ยคือปฏิสันฐานภาษาเราง่ายปฏิสันฐานกราตาง ที่ขันคืการต้อนรับขับสู่เป็นแขกที่ดีผู้ต้อนรับที่ดีสมวูรณ์ธรรมเราเผู้เราที่เข้าวัดเป็นประจำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นปายไหนยบสอกซุปาสิก้าก็าสงฆ์โอเนียนก็ตามเราถือว่าเจ้าของเจ้าของบางต้องให้เกียรติแขกผู้มาเยือน ผู้ ม, มาใหม่นั่นกแ็แพลมีอะไรเขาเอาก่อนค่อยบอกค่อยกล่าวค่อยแนะค่อยนำแต่ส่วนใหญ่หลายๆายอันดีอย่วัดอันดีเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพประาหาอย่างนี้ก็พอจะคุยกันพอเชิญแขกญาติพี่นอ้อ ง, องพอหาไม่กลับไปอีกทีหรือดถ้วยเปล่า ข้าก็เชื่อกันคดเชื่อกันบอกเป็นไม่รู้กี่ปีกี่ชาติไปยังเหมือนเดิมและที่สำคันเขาเอาตัวข้ามาส่งมาตังเนี่ยไปเอ็กใส่เขาไปตวาดใส่เขาบอกว่ า, วางาวนะ่านัะเดี๋ย ว, วนะเขาไม่รู้ค่อยบอกเขากังเราผู้รู้เราจะของบ้านแล้วมันเสียเสียไม่ค้าไวาอีกรคทีแก้ไขนะปรับปรุงนะ มันไม่ใชองดีนะเมื่อการทําลายเราไม่รู้ตัวเดีย๋ยวไปคิดตัวเองรู้หรอกคนเราไม่รู้ไปรื้อเผยไม่ได้การประเคนเป็นกันบางคนเขาไม่รู้ไปต้องทำอํำยังไงอ้าวมานก็นเดียวเอง่อยบอกเอาเขาไม่รู้เอเถอเรารู้แล้วเราอยบอกข้างกวเราเจ้าของบ้านก็บอกเห็นหมดแล้วแต่เราจะพูดยังไง แต่คนที่โดนเอ็กซแสกน่าเสียเห็นไหมเนี่ยปฏิสัมพันเราขาดสิ่งเหล่านี้เมื่อรู้ว่ามันขาดต่อไปก็ปรับปรงุงแก้ไขาช่วยกันดูบอกกันดีๆมีปิยะาวจ า, จ า, จาจาวาจาที่เจรจาได้วยคำอ่อนหวานด้วย ค, วรวคำรับรองเขามไม่รู้กะปิกระกเป๋นี่เขาไม่รู้หรอกเด็กก่อนกะปิก่อนเนี่ยกะิเขาไม่รู้กะปิ กะปิทำปลาคืออะไรเขาไม่รู้เขาไม่เคยก็บอกเขารับเพื่อนก่อนก็ได้เอาคนที่เราคนของเรารู้เรื่องมาทะเครื่องมากะปิก่อนก็แล้วอันนี้ไม่ได้ตั้งกะเปิมะกะเปิคืออะไรดีแล้วก็บอกว่ากะปิไม่มีไม่ได้เอากะปิมาเนีทําไงเขาไม่รู้ก็ ถ, ถือเป็นการให้ความรู้ให้การศึกษาเขา ม่คนไปเอกใสเขาอนันมันไม่ถูกทุกคนมาวัดเนีกมุ่งมาที่วัดเพื่ออะไรเราต้องเข้าใจตรงกันนะที่เขามาวัดเนี่ยคือบูชาพระชูอุทักตตาธรรมะรตาสังฆารวตาประสุขอันุเคราะห์เง่ายคือมาทบุญกับพระแล้วเจอพวกเราสกัดยังไง มันไม่ได้พมันก็ฝากเราทุกคนในคนะที่เราเข้ามาก่อนรู้เรื่องก่อนค่อยบอกากล่าวเอามีอะไรก็แบ่งปันกันทําให้เป็นตัวอย่างเขาอุตสาห์เสียสละมาแต่ละคนไม่ได้อยู่ไกลๆตื่นทีสี 4, ทีห้ 5, าตามข่าววิ่งมาแล้วมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ถ้าเขาจะคิดยังไงเนี่ยฝากพวกเราทุกคน รั้งทั้งโเพื่อโหอย่างเดียวค า, าระวะในทางคุณศาสนามีแค่นี้เองนั้นตรงไหนที่เราขาดเรามีเราอยางทําไม่ได้ไปศึกษาในรายละเอียดใเพิ่มเติมมันจะได้แก้ไขปรับปรุปรงในช่วงภาษาการนี้อนันนี้ก็ยังคือคุณของพัฒนาใจเลึกๆเสียขาคาระวะตาอันี่ก็สําคัญถ้าเราศึกษาองค์ประกอบทั้งหมดนี้ เราจะมีความรู้ที่เป็นหลัหลกๆเรียกวองค์ความรู้ซึ่งปัจจุบันเราขาดในสิ่งเหล่านี้คือขาดของความรู้ทุกฝ่ายก็จะเป็นอย่างนี้สุดท้ายเวลาพูดเชิจาประแจตัดสินหรือใช้วาจาออกไปกับเรื่องของอารมณ์ไม่ได้เหตุผลไม่ได้เอาความจริงมาคุยกันมันต้องคุยเหตุผลเบื้งต้นก่อนว่าเหตุและผลเป็นอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าคนมีเหตุผล และที่สำคัญคือเหตุผลแนละเป็นเบื้องต้นนี้เฉยๆอาจไม่ใช่ทั้งหมดแต่ความจริงมันของแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ยาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลความจริงไม่ต้องมาพูดถึงเข้าไม่ถึงเมื่อความจริงเข้าไม่ถึงก็คือธรรมชาติไม่มีทางเดียเข้าใจธรรมชาติคือธรรมชาติที่มันเกิดเองเป็นเองเป็นความโลภความโกรธความหลงเกิดเจ็บตาเกินด้ น, อ, นอ่อนแข็งอื่นๆ ที่อยู่ด้วยกันที่องค์ประกอบเราเนี่ยเราไม่มีทางจะเขา้าใจแบบนี้เลยงานเบื้องตอนจากสิ่งเล็กเล็กน้อยที่เรามองข้ามว่าเราเองเรามีแล้วเราเป็นพระแล้วเราเป็นเนนแล้วเราเป็นชีแล้วต้องทบทวนตัวเองใหม่นะเป็นจริงแต่เป็นพระเป็นเนนเป็นชีที่ดีหรือเปล่าลองถามอย่างนี้ก็ควรจะเป็นเนรจริงเป็นพระจริง เป็นคุณแม่จริงถามเป็นคุณแม่ที่ดีหรือเปล่าเป็นสามเณรที่ดีหรือเปล่าเป็นพระโสโเนรที่ดีหรือเปล่าต้องกลับไปความตัวเองคนอื่นไปถามไม่ได้เนื่อยเราทบทวนทบทวนตัวเองทุกวันเป็นกิโาทบทวนสิ่งนี่ครตัวนีตัวเองหน่อแบบวันนี้สินข้าแรกนะพี่เน่ไหนะปานาติปตานะปะนางนะเนี่นยประโยชน จใจมันก็แข็งกันด้มันก็เริ่มสะสมสะส ม, สะสมไปเรื่อยๆนี่ยครับว่าคนถุกชนมันก็จะหนาออกหนาออกมนาจะทำอะไรไม่ได้มันมันไม่บางมันก็จะหนาขึ้นหนาขึ้นใครบอกใครกล่าวไม่ได้สุดท้ายแม้แต่ผู้ปกครองสูงสุดในสำนักคือเ้าอาต อย่าลืมว่าเจ้าวาดมีทั้งอำนาจและหน้าที่คนอื่นมีแค่หน้าที่ราจจะนันเมื่อเรามีแค่หน้าที่ใหญ่ใช้อํานาจกับใครเพราะตัวเองไม่มีอำนาจอำนาจได้มาอย่างไรตามกฎหมายกฎหมายเขาให้มาเหมือนเจ้าที่ขอรับส่วนพวกเราท่านหลายก็คือมีหน้าที่ทาตามที่จะรับมอบหมาย ไม่ใช่เราไปใช่อำนาจเป็นชีนี้ดันนี้เขาไม่ได้เขาไม่มีอำนาจมูลพวกเรากับตำรวจเราจับกลุ่มคนได้ได้ไหมไม่ได้เพราะเราไม่มีอำนาจแต่ตำรวจเขาจับได้เพราะเขาไปอำนาจเออนี่คือคำว่าอำนาจเพราะฉะนั้นเราไม่มีอำนาจจะไปใช้อำนาจไม่ได้โดยเฉพาะเรืองอำนาจบาดใจ็บก็ฝากพวกเราทุกคนเพื่อเป็นโอราลิโกในเรษ่งารการนี้ถือว่าทุกคนมาวัดก็คือมาฝึก ทีอย์หลวงพ่บอกมาวัดคือถ้าไม่เสมอคือขุดไปวัดไหนก็ตามขุดต้องวัดกายตัวเองให้ได้ไปวัดไหนก็ตามวัดวิจาตัวเองให้ได้ไปวัดไหนก็ตามวัดใจของตัวเองให้ได้ไม่เกี่ยวกับวัดศาสนาวัดเทวดาวัดปู่เต่าวัดนั้นวัดนี้ไม่เกี่ยวกันเข้าวัดคือวัดอย่างนี้คือวัดกายวัดวาจาวัดใจตัวเองได้นี่แหละคือวัด ถาวัดได้แล้วไม่ต้องเข้ามาวัดอยู่ที่บ้านก็วัดได้เข้าวัดเหมือนกันคือวัดกายวัดวิชาเจต เ, เองถามวัดได้หรื อ, อยังถาวัดไม่ได้ก็จำเป็นอย่างนี้นต้องเซมโมซมคณะเป็นกลมเป็นก้อนอยู่กันไปเป็นตัวอย่างก็ได้มีมูมีคณะมีญาตมีกัลายาณมิตรที่ดี กาลยานาะิตคือญาติทางธรรมดีกว่าญาติจริงๆแคติโก้โฮการพิ่งได้ไหมบางคนพึ่งไม่ได้แต่ญาติทีธรรมของเราเราไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรเป็นกาลยะนานาริตคือเมตทีติพนันกระฟาพวกเราทุกคนในภาษาการนี้ให้เอาไปสําักนิดนึงแก้ไขที่จะน่าปรับปรงุงตัวเองเพื่อให้ประโยชน์ของตัวเองนั่นแหละนม่ใช่ประยชนวของใคร ถ้าุคคลใดทําได้ประกคนนั้นชื่อว่าเป็นาศาสนร์เศรดีเป็นประสิทธินคหาที่ดีมป็นลูกเป็นห้านเป็นครอบครัวของเราที่ดีปังกับปวดง่ายคนปวดกับปวดง่ายอยู่ด้วยกันก็นง่ายไม่มหนักไม่ขัดขัดเคืองต้องมาจําที่จจไทยเรื่องไม่เป็นเรื่องของพวกนี้ก็ฝากพวกเราทุกคนในประชาการนี้นี่คือการเข้าวัด วัดจริงๆก็ฝากไว้สับนี้สำหรับพิหนร์การขออูุโมทนาในกุศลเจตนาที่ผู้เราทุกคนร่วมสองวันแล้วเมื่อวานนี้คุณใจยบอกว่าเป็นที่ไปกันน้อยแต่ามีเจ้าภาพหลักก็จะอนุโมทนาโดยอีกหนึ่งวันสายเชียงดาวฝากอีกหนึ่งวันก็ถาม้น ันแล้วก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาที่พวกเราทุกคนที่ได้ถือว่าทำตามเจริญรอยตามเ่าแม่ครัวจันท์ทั่วประเทศที่ไหนก็ทำกันอย่างนี้ในคาระวะอย่างน้อยก็คือไม่มีการไปทำบุญไม่ีารน้ำข้าไวไปเมื่อวานสิบประวัติที่สามาัดในประสา ก, การกือเป็นเรื่องที่ดีขอ อนุโมทนาความดีโดยวงัง่งสิที่แล้วภาพที่ลิวมีอุบาสิกาเพชรพระสุกเพ็รในสัชิกกาคะ่าสิบกว่าคนอยู่ปฏิบัติธรรมอย่ข้างตื่นก็ถือเป็นเรื่องที่ดีก็ขอบุญแสดงหนูก็ช่วงขึ้นตอนดึกถึงเช้าแล้วก็ต้องระวังเรือยระวังอย่าไปโพดไปยาย น, นั้นเอะ ทำโชว์ทำเชื่อเรื่องอะไเป็นเรื่องเหรอคุยกันนมันเป็นเรื่องไม่ได้ไม่มีสาระอะไรเลยอันนี้เขาเรียกว่าวัดอะไรได้ไม่วัดวาจาตัวเองวัดกายตัวเองวัดใจตัวเองเนี้ยคนอื่นก็ทําคนดีคนจะส่งเสริมควรจะน้อมธนรมแค่นั้นก็ได้บุญแล้วไม่ใช่ไปคดขวางเนีย่ยตัว อ, อย่างเราจะเกิดจากการฝึกตานั่งเรีกว่าคารวะหรือควาเคารพ ให้สิ่งเหล่า น, นี้ก็ฝากพวกเราทุกคนเพื่อเป็นบายกุสโลบายมันจะได้ในอุปสรรคปัญหาในการอยู่ร่วมกันในขั้นต่อไปก็ขออนุโมทนา